ทรงประชุมสงบติจญสิขาบทครั้งนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคพุทธ เ, เจ้าทรงตำหนิท่านพระอนุ์โดยประการต่างๆแล้วตรัสโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากความเป็นผู้บำรุงยากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้